เชื่อใจได้ดว่าพี่ไม่ทิ้งน้องแน่นอนว่าพี่ไม่เคยลบบ้าง ไ, ไว้ใจกี่เลอแต่พี่ก็รังจังเลยสักวันน้องเห็นเีงว่าพี่ไม่เคยจ้าวช่ อ, อ, อมีอะไรแค่ใจดวงหนึ่งให้เธอคนเดียวเท่านี้สันแล้วก็ะะจยกใจจะไม่ไปไหนเนี่ย จะม้วนจากใจของคนที่รักนั่งงอนจะไม่ทอโทอโทษจะไม่ทิ้งริงๆให้เธอรู้ไว้เลยจะรักเลยแค่แม่ทมยงว่าใจพี่ฟันทงเชื่อได้เลยจะไม่ทำให้เธอต้องติดหวังไม่ต้องเก็บต้องช้ำต้องเสียน้ำตาจะดูแลเลเป็นอย่างดีสำหรับเธอคนนี้คนจะ่มีค่ะ ก็ใส่ใจและดูแลรักษาไปจนแก่ชรา เธอสัญเลิกแยาจาดใจจะไม่ไปไหนแน่นอนเป็นกานวนจากใจของคนที่รักบ้างอนจะไม่ทอดทอตอนจะไม่ทิ้งทิ้ ง, ง, งให้เธอรู้เลยจะรักและแแม่ชมยงว่าใจพี่พันุ์ทงเชื่อได้เลยจะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวังไม่ต้องเก็บต้องช้ำต้องเสียน้ําตา จะดูแลๆแเป็นอย่างดีสำหรับเธอคนนี้คนที่มีค่ะจะใส่ใจและดูแลรักษาไปจนแก่ชรัจะรักแลยแค่แม่ชมยกว่าใจพี่พันทงเชือได้เลยจะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวังไม่ต้องเจ็บต้องช้ำต้องเสียน้าตาจะดูแลๆเป็นยังดีสำหรับเธอคนนี้คนที่มีค่ะจะใส่ใจและดูแลรักษาไปจนแก่ชรั